ก็ทานารนของเขาเรียนคือคนนี้เรียนนี้เทั้ and okay. โอ้ ในรักษาจิตญาณลายตาภายในอกเห็นใจภายในก็เป็นไปได้ยากเราจะถอว่านิสัยของเราเป็นด่างนั้นมันยังไม่ถีเพราะเห็นใบเพรกิเลยังอยู่ในจิตในใจทำานกิเลตันหาสำลักสาสางทุกอย่างไม่หมดไปแล้วนิสัยเป็นนิสัยร่วงเอางี้นิสกิเล เกียเ่ย ว, วกันมีสา ย, ยา ส, สิ่เกีออาาย่ยวกันโดยจิเลตเป็นการระวางสาังวรไปเกาะรักษาไปเกาะเรอย่างเราอย่างอยู่ในยังร่างของจิเลตอย่างสีดตัวออกจากจิเลตไม่ได้ดังนั้นการระวางรักษาจิตวิญาณอะไรยากหรือการตังตจิตตั้งใจวามสิ่งนั้นยูความมีสติอยูความเชิงใจ ส, สิ่งต่างาบ ว่าก็ดีการถนอมือก็ดีเวลามีการมืองานวิศว์งานชเป็ตชิ้นชนต่างๆสานศึกษนเคยเห็นบางคนถนมมืออย่างถนอมตเสียงเลยได้ในบมีความต่างใจมีเจตนาจนมมือให้ขี้งงานถนอมกนได้ เอ้ขัดจังหวะไอตกเนี่ยทั้งตามบังไม่สมควรดูแลวมนยามตานี่ก็เป็นทางสนมีอันหนึ่งกลาบเป็นนิมิตกลาบเสียเฉียบไม่ได้ในมีอความจริงใจตายด้ายความพิชิทธรงมพระสงฆ์ส่วนจริงสาระอเล็กเป็นเสดวิสเนี่ยทำภายนอกดงบอกวางดูความเริงใจเรื่องภายในกับทํางานียวกัน มั <N> น, นไม่จริงใจเนี่ยเอาจริงเนีไม่เอาคริงไม่จริงใจทําอะไรแล้ผล <N> จิตเกิดขึ้นหรือผลจิตคลายได้ในความเสียหายเขาก็ดูหมิ่นยินทาเรื่อยไปทุกคนที่มาเป็นครู อ, อาจารย์ทุกคนที่มาเป็นต่อเป็นแม่ก็ต้องผ่านตา ม, ตามเป็นเด็กมา ก, ก่อนต้องผ่านตามเป็นศิษมา ก, ก่อน ใคเว่าจะเติบโ ต, บ ต, บตบขึ้นมาโดยไม่เดืผ่านดีดามานดาลิจิอยาในสิตคูออาจารย์ผู้ท่านเป็นผี้ในวัตถุสารดีชาของพวกเราก็ดีบิดามานดาของพวกเราก็ดีถ้าเราเคยเป็นเด็ดมา ก, ก่อนเคยผ่านจะเอาความจิตเกียดสีฟ้ามากง ขงขอไพรเจ้าความมากงายความเฉียดฉาสไม่สามารถที่จะสํำระกิเลสปัญหาไม่สามารถที่จะทำการงานอะไรในนี้เลือนไปได้ารพุทธเจ้าจึงนาสอนเกี่ยวกับนักนักปฏิบัติให้มีเจตนามีความจงใจทำอะไรยรืความอดทนหอความขัดเขียนหความยินใจ มีสติประความรักษาตัวอยู่ทุกระยะทุเกเวลาในตาอตาลาเลยความพูดความทํามหรือความคิดของตนคนที่มีะติรักษาในปัญดาเนี่ยสอนเนคนนั้นไม่ว่าจะทำปัญญาทังโลกหรือไม่ว่าจะปฏิบัติทางธรรมคนนั้นจะมีความจเจริญรื่นเริง ฉพาตนคนอื่นเห็นเข้าก็เลี้องใส่ศัทาเพราทำสิ่งใดสวยงามทําิ่งใดปลอบภัยไม่เสียหายหรือทำด้วยในสอนจิตสอนใจสอนกายของคนดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาภาษาความมากง้ยความโลภความเสียไปเสียหาย ให้จออกไปจากกายใจใจใจทุ่งตนเรามาเบือกมาปฏิบัติมาฝึกหัดอบรมตัวและเชื่อมโ น, นดีดวมาดับใ า, า, ายจใจใจทุงตนเข้าหาธรรมดีไม่ใช่ว่าจละลาทวิเดตนหามาเป็ศนศาสตาสองใจจึงใดที่เป็นภัยอันตรายสึยงใดที่เป็น วามากมากยัหายเราจะต่ง ร, รักษาไม่เกิดใหมีสึ้นมาในตายตายใจดนใจของตนมีนคือมีอ ค, อ ค, อ ค, อ ค, อคือสิ่งเบื่อเื่อมาเพื่อผลเพื่อตะปฏิบัตในอย่างนั้นเรื่องศาสนาหาไปนีคู่ตั้งนาต่างตาบำเพ็ญภาวนาในตั้งนาต่างตารักษาจิยญาไมาแล้ม ตาสนาเรามีกฎหมายห้ามซ้อนหรือ <centre> บังคับบังชาแต่คนนับถือแต่คนเบื่อสายจะต้องถูกทาลายเสียหายแย่ยัดไปนานแล้วนี่คือตัณหาสั่งตารักษาปัญญามารยาศรีบายใจตลอดทิ้งใจเราพึไปเพื่อความสุขความเจริญจริงจังยังมีอยู่ รู้เห็เกิดผลเป็นลายต่างๆในเรื่องของตัวแลาเชื่อเปรนลำดับเป็นจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นดังนี้อยู่ในโลกผู้คนประชาชนประสบความเห็นมีความเยือกเย็น ทางสายทางใายเขาเห็นไทยนั่งก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีันเดินก็ดีมีสติหน้าเรื่อใสมีใจมั่คงในหล่อแหลมหรือไหลเขาเห็นว่ามีความศึกเขาก็สนใจอยากศึกษาอยากปฏิบัต คุณชนคนทัน่วใจเห็นจีงใดที่ชอบใจย่อมยินดีเห็นจีนใดที่ไม่ชอบใจยอมจำหนึ่งหนึ่งนั่นเป็นธรรมบาญญไม่ชอบใด ดยความสุขความสบายมรรคผลยังมีอยู่ไม่โดยเดียหายเปืนที่ไป ต, ตามเดินปากของคนหรือตามตางสมัยทีผถามไปผู้ตั้งอกตั้งใจพระพุจปฏิบัติยังรู้เห็นเดินชัดในความสุขความสบายในอดใ น, นทันทีพรุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกคน เมตั้งน้าปฏิบัติที่ไม่พิจารณาและเชื่อมเป็นดีจะต้องเห็นตอกเป็นเพราะศาสนาไม่ได้ผูกขาดเราชาตินั้นภาษานี้คนนั้นคนนี้จึงจะมีสิทธิปฏิบัติถึงองาจพิจารณาคนนั้นประเทศนั้นชาตินั้นรัฐนั้นในฐานาที่จะปฏิบัติถึงองาจพุจารณาได้ พระพุทธเจ้าเลยคูกขาดแบบนั้ทุกคนขตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติเอาใจใส่ละเสื่อดังเพนดียิงจังตั้งสติกำหนดจิตใจทุงคนอยู่สมันเสมอพระพุทธเจ้ารับรองจากคนนั้น จะต้องมีความสุขความเจเย็นตายเนีา่านาี่ธรรมะขีพุทธเจ้าจสองสอนอย่างนนะั้นทมเป็นอาจารยโกคื อ, อมีการมีสมัยจับจับตางจ็เห็นทางใจทั้งตัวเองเมี่ยขีพุตธปฏิบัติถึงจรงรับรองระพุทธปฏิบัติ ในสติประธานทั้ง4ว่าจะมีสติเป็น2 อ, อย่างนึ่งที่สุดในโลก ความหยาดทายให้ห็นาสัต์ประหลาดใไม่ใส่สัตว์ในใส่บุคคลนใส่ต um ัวตนเราขายเห็าธอันน um ี้ถเส้ um ันเข้าด so ื่น้เย so ็นไจอากาศินดานแข็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสัตว์เป็นบุคคลถางดูตัวได้ผมขนลับกันอยู่เป็นมนุษ เราวขาอยากให้เป็นผลเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไหมมันมีเวลาตอบแต่เราเกาะยึดถือเข้าใจจ่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นจริงจังเพราะขาดการคิดพิจารณาเพราะขาดปัญญาที่จะย่างนี้จิงเห่านั้นตามเป็นจริงของมันถ้าพิจารณาเอาใจใส่ตั้งใจกำหนดจริงจังมันเก่าเกาะห็น เป็นความจริงอย่างพระพุทธเจา้าสิเพราะว่ากายก็คือสิ่งที่ประกอบตั้ตงเข้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์่ใช่บุคคลเป็นสัจจะกายถึงและตายอันนี้ภายในมีจิตอาศัยก็ยในมีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างจากขนร้ะธรรมสูตร จะไปขึ้นที่ไหนขึ้นไฟด้วยเติมนะ้ำาจนี่มันมีกลัวว่ามันมีรักใเป็นธรรมชาติของใจมีอย่างนั้นในก็ะเร๋าเปียนไปต า, ามถาดของอ เ, ลเลองิในครื่หลงปับปับกับบุบคคลใดๆหน้าสี่เขาเป็นอย่างไรก็าเป็นไปาตามธรรมชาติถาดขันของเ ข, งขา นี่คือการนดที่ไม่พิจาราใที่จะมาแยกทายเทไรใจไปยึดเห็นแก่ใจไปยึดสงบเวทนาเกิงันไปเราอยากจะพิจารณาเวทนาก็พิจารณาได้เพราะเวทนามันอาศัยกายอาศัยจิตทำได้จาจิตเวทนาเกิดเสื่ม้งได้ทำได้กายเวทนาเกิดเสื่อมทได้ เวทนาเป็นสิ่งที่อาศาาาัยอจูกในจิตจะสุขจะทุกข์เฉยๆมันเป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่เรื่องอันอื่นมันอาศาาายัยอยู่ในใจในจิตนี้แต่เรากลัวเสงไม่เข้าใจเท่าไรเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีอะไรเรามีในเวทนา ของตันยาดัง้สาเนียที่จะยกย กมยังมีทางสงสัยอยู่การที่เจนมาเรียนภาวนาจะเรียนจนมาเกตัวทุกข์าเรทนภาวนาอเกิดขึ้นมาไม่อยากจะร็จสาไม่จัดจะที่เจนมาเมื่อเกลืก็ไม่มีทางที่จะข้ามจะพ้นจากเรียนาไปได้แล้วเรทนาเป็นๆๆเรทนานอยู่ความสงสัยความอยากจะปฏิบัต ในอาจทำเป็นอย่างนี้จิตก็มีทางทางจิตทาเป็นกจังหวะจิตก็ถูกจังหวะทั้งฐานก็ถูกจิตตาในปัจนาหรือจิตในสติปัฏฐานที่ทำให้กำหนดรู้มาย้เจิดจิตทั้งฐาน หาจิจเป็นเอะจิจเอกจ ะ, ะทาจริงจังแล้วไม่มีทางที่จะพิจารณาไม่มีทางที่จะเฉืเ่ยใสจิตที่ยังเบียดเบียนโย่ข้องกับความเงส่ยความนึกคิดผิดข้องต่างๆมีทางที่จะพิจ า, า, า, ายณาได้บางลาเยืนมีบางคา ย, ย็นไล้บางคาสบายบางคาเป็นทุกไม่เป็นเพราะอะไร พิยนาใส่ใจคเดินในเรื่อง้องจิตพิยาเรื่องของจิพิยาเรื่องของธรามคือความโง่ความฉลาดหรือความเฉยเฉยข้งใจที่เกิดขึ้นเปนขึ้นยข้างน้ไปสติปัญญาทางสือผ่าใจ พอใจในตัวเอมันมีทางส้งใสคูอเก่วกับไปถ้าไปถามก็จะเป็นแบบนี้พามันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมนั้งหมดหยุดจิตคอของจิตหยต่างๆหนึ่งปล่ยางนึ่งทั้งหมดได้มันก็เป็นอันเดียว ผิองโลกผเป็นเชื่อเรื่องของตัวในมีวัลนลดละในมีวันลืมเล่นในมีอาตัดวิญญาณที่จะเส้นใสพใจทั้งแผ่นวันนี้ติดคือติดตั้งหน้ายที่เจริญมาปฏิปทาทั้งสี่จะมีท่าในเรื่เหนวนเดินชักเป็นจริงอย่างนั้น y o n g ini p a วแต่ตนไปเพื่ออย่่างไปเพื่ออย่าติดต่อน่อนการหาคุยปรนาติดต่อโยธมันเสมอ ยัง เดือดปัญาอยดืดเดือดสติอยู่ทุกเวลาจิตใจตุดไข้ซึออกไปภายนอกเป็นปุเศษเมื่อปุูให้าใจอย่าเป็นโมฆะของชาของเงิน่เป็นชาจึงเงินจึงอเราเป็นชาจึงเงินจึง ต่างหน้าต่างตาปฏิบัตรักษาตายรายจาิตถึงดังไม่รู้ไห่เห็นไม่ดีไม่ดุนอย่างพระทิดพระจ้าหรือสาวกเก่อตามก็ยังมีความงานหน้าสาหน้าว่างังเชื่อว่าเราเป็นสาวชนะท้ายเนี่ยเพื่อศึกศาสนาต่างหน้าแล้วเชื่อวันเพนดี มีจิตจิดตุงไปทางนอกถึงจิตรงไปและห้ามกั้นเอาไว้ด้วยวปัญญาของอตัวอยู่เจ้ผู้ประเัตปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติที่ตัวของตัวเองเมื่อตัวาของตัวปฏิบัติตและเชื่อบดินเทวดาในศีลสมาธิปัญญาภายในตัวถึงเมื่อไปประกาศโฆษนา ความดีที่ม่อยู่ในตัวมนโฆคนาเองได้รับความสุขความสบายเยือกเย็นภายในสบายใจสงบเงียบหยุดใจหยุดใจ่ายแด่ไปทางโลกจะไม่มีโอกาสเวลาเข้ามาเขี่ยข้องในหยุดในใจทั้งหม แต่สติรักษาพอปัญญาไน่สองจยุดยอมจำนนลืมหเงจนจริงอย่างนั้ทุกสิ่งทุกอ่างจิตใจจิดข้องครัวพินที่จะมาให้ลืมตามตามจริงมันจะม่มีคามสงสัยพอที่จะมาเข้าถึงต่อเข้ามา อย่า th ันไม่เป็นอย่างนั x ả x ả ắng, ăng, ้นมันจ th ึงเกิดเฉไข่อยู่สถานที่ใดก็ได้อาถานหอยู่สถานที่ใดครูอาจารย์เองใดเรื่อทำาีีเสจก็วิ่งไปแต่เราไม่รักษาใจทั้งหมดเราอยู่ในศาสนาปัจจุบันทุกวันนี้โดยวรใจหนึ่นตาดำจับเกาะคู่เขทองอาศัยชาเลียงแนั้น แต่จิดใจทุกสั้งหมันเป็นตาดำไมีอะไรที่จะเลี้ยงอลังงานตาแต่จะเกาะคูเขาทองและสิ น, นี้ทั้งทองมีแสงสว่างขึ้นในใจเลาเราเป็นพัดเราเป็นเมรุเรามีเราเด่นแล้วปากเทล่าราสั า, า, า, าลมือชาเหมือนเพราะอำนาจงศาสาาา น, นาเพาะอานาจ ดูอาจารย์ฝึพ่ดีปฏิบัติชอบทำให้เขาเยื่อมใสเป็นใจอยากจะให้ทางทาบุญอยากจะปาวว่าเพราะถือว่าเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นบุญเป็นอุเบาเขาถ้าเขาข้าแบบตัวของเราเป็นตาดำเขาจะไม่เยื่อมใสไม่เป็นใจปาบวาเหนอยแม่แข่งตัวเขาตัว อะไร้ังเป็นตาดำดิแต่พิจาราอย่ า, า, ยางไรใ จ, จึงจะเข้าถึงอาจทำผพระพื่อไจ้าส อ, อนก็ในความนอนใจยืดเร่งแก้ไขสิ่งที่ชั่วให้ตกออกไปจากใจากจากใจทั้งตัว ส, นนสมนเสมอจิตใจเนี่ยถูกชำระพักใจอยู่ ส, นนสมนเสนอมันจะมีมวันเดินท้งสะอาด ยินดีพอใจต่ตีเจ้เิญเจร่ญจะเป็นชาเปน็นนงินหมามันก็เข้าได้เขย่าแ่จะเขยาได้สักคนเปพากัรสองคนหยุเป็นทะเยยามและเขี่ยเป็นเ็นดีต่างนาต่างตาที่เยนาตายใจทั้งตน report เกี่ความดีความบริสุทธิ์ถ้าเราคิสอเป็นอย่างนั้นจะมาเกาะอาศัยเป็นตาสระของศาสนาเป็นตาดำจับคู่ทองความุ้ตที่จะได้รับความสลุกความสบายเรียบร้อยเย่นยายให้ตัวเองและคนอื่นเพราะความชั่วของตัวแฉะเผาตัวเองแล้วก็ไปเกี่ยวข้อง เป็นอนใจตาใจหยุดเบื่อแก่ไขดำเพลินความดีและเชื่อเรื่องใจใจจะรักความส่องใสใจจะรับความสุขขอรับปฏิบัติต่างๆหาอะไรตานาต่างๆทาดู้ยความจรงใจทำด้วยความพอใจยินดีเลื่องใสใจเท่าไรเย็นเยืนขอรับอันใดก็ได้ทำมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ต้องมี ตัวเองว่าอันนี้ไม่เด็ดทำอันนี้ไม่เด็ดทำคิดถึงการทําทางใจคิดถึงการพูดทางาจาคิดถึงความคิดทางใจโดยระวังรักษาไม่มีทางอะไรเสียหายใจมันก็สบายเพราะมันไม่มีโทษถ้าคิดอันนั้นต่อใจถึงอันนี้ก็ละเลย ตัวขงตัวเองไม่กเกลียดงเยินยามไม่สบางเขาทีเท่เห็นผลประโยชน์จากวันคืนที่ผ่านไปไม่มีเพราะตัวนี่ทำประโยชน์ถ้าตัวทงทำประโยชน์อยู่ในสถานที่ใดก็ตั้งหน้าตั้งตางจะรักษาใายใจทั้งตนรักษาอาัดทามคำส อ, องทางพุทธจ้า ที่จะเล่นมาอยู่สมำเสมอไปความเห็นความควดความมีความดุจจะเกิดขึ้นให้โดยมีทางส่วใส่พอเราทำเหกุ ด, ดีผล พ, พอได้จะไปมีติดตามมาพอเหตุเชื่อจะตาธนาเผลดีข น, นาดไหนอย่าไปคิดเลยว่าจะได้ผลดีนั้นเป็นเรื่องสมองตัวือจะพดเชื่อขท่นั้น เปิดพาสังระวังสังวรระยะเวลาที่ผ่านมากว่ายาวนานบางแผ่นบางคนก็ปฏิบัติมาหลายปีบางแผ่นบางคนก็เพิ่มเข้ามาปฏิบัติใหม่แต่ทุกอย่างเราเขาก็จะมุดแบบเป็นพาสมาฐานเป็นเนืองสมาฐานเป็นนักปฏิบัติตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติอย่างไรไนที่เห็น อาจทมอย่างไรสมควรรู้ไหมกับถื้ทั้ง ค, วรรงงคน ว, นนว่าสมณะว่าพระว่านี่ตื๋อตาที่เจนมนาะหนใจทั้งเรามีสติหาใจทั้งเราทั้งเวทอย่าให้เป็นเิดในส่วนแบกหอกเข้ากิน